เอฏอโรมพระเมื่อวันที่สิบเก้าสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยแปดณวัดปาบ้านตาดจังหวัดดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนสร้างใจในโลก สร้างบ้านต่างเรือนสร้างศึกสร้างข้างสร้างจีนก่อข้างต่างต่างทั้งหลายเลยนั้นเป็นสิ่งที่ขั้เด็ดยื่นโดยจากบุคคลที่ชอบคนที่มีความรู้วิชาซึ่งควรจะทําหน้าที่ต่อสผิดการนั้นนั้นได้โดยเรียเร็วเร็วซึ่งนั้นนั้นจึงลาเป็นมติ ที่สําเร็จลูกคุณมาดูวความเรียบง่ายและสวยงามตลอดถึงความมั่นคงและมีคุณค่ า, าหากว่าคนไม่ได้สร้างความรู้วิชาให้เป็นคนขึ้นมาเป็นทันงทันและผ่อนแรงจะไม่สามารถสร้างสิ่งทั้งหลายให้เป็นตึกส่วนนั้นหนาะให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้เลยเพราการ สร้างทุกสิ่งทุกอย่างต้องสำเน็จยูบมาจากความรู้วิชาของบุคคลที่สร้างเป็นโดยเดียร์เพล่ไม่เช่นนั้นทุกสิ่งจะไม่สาเน็จเป็นลูกย่างขึ้นมาได้เลยมีอก็จับหน้าเป็นการสร้างประเทศนี้คําสอนของพระพุทธเจ้า ยังมีความละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปยิ่งกว่าวิช า, ขาแขนงที่กลาวมาทางที่สร้างจิตใจของบุคคลให้เป็นผู้ควรแต่ตนเองและควรแต่นหน้าที่ทำงานที่เห็นน่าชอบหรือไม่ชอบผิดหรือถูกอย่างนี้เป็นต้นคนที่ดะรับการศึกษา จากพระองค์ท่านถึงความชาติซึ่งภายในจิตใจแล้วยอมเป็นผู้มีความมั่นคงภายในใจิตใจและเชื่อต่อเหตุผลโดยถูกต้องไม่ได้ทาไม่ถูไดไม่คิดไปแบบาสินไดเหมือนบุคคลธรรมดาผู้ไม่ได้รับการอบรมศึกษาจากธรรมากที่ถูกต้องโดยเหตุผลเลยเพะนั้นคำสอนจริงจัดว่าเป็นสวรรคาฏัหาิ เป็นทำที่พระพุทรเท้าปรับปรับไม่ชอบและทิกบททิางไเหมือนนำมาประกาศสั่งสอนประชาชนจึงเป็นเอให้เกิดความดิ้นดำเพื่อถืออย่างของจิตั้งใจถึงกลับใจที่รับความศึกษาจากองค์ท่านเป็นใจที่มั่นคง แน่ๆพอเหตุผลทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นทางโลกนี้ทางธรรมเป็นไปด้วยเหตุผลทั้งนั้นมนาสาวกเบื้องต้นพอเป็นคนธรรมดาไม่รับการพิษาอบรมใดเลยแต่เมื่อได้มารับการึกษาอบรมจากพระองค์ท่า น, นแล้วกลายเป็นผู้มีเหตุผล และเป็นผู้มีความสะอาดขึ้นมาทางกายทางใจและทางจิตใจทั้ทงเป็นผู้มั่นคงต่อหลักธรรมที่พระองค์ทำในสองแล้วอย่างไรอย่างถึงจิตถึงใจเมื่อไดมีความเชื่อโยนไฝแล้วเช่นนั้นการจะนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปสร้างตนเองก็เป็นธรรมสะดวก สนับท่านพุทธกาจานิพนุณและพระสาวกท่านต่างคนก็นำไปธรรมะของพระพุทธจาไปปรับปรุงจิตใจจิตใจก า, ายวาจาของตนให้เป็นใจตามหลักธรรมที่ชอบม่ให้เสพไปจากแนวทางที่เพ่งท่านเป็นจากสรนไวเพราะฉะนั้นการสร้างคนให้เป็นคน การสร้างพระให้เป็นพันถึงรู้สึบให้เป็นของได้การสร้างโลกพาสร้างคนให้ดีแนละ้วโลกก็เป็นไปก็คำไมเิยแต่ถ้ามนได้สร้างคนด้วยธรรมะที่ให้มีเหตุผลประกันใจแล้วมีความรู้วิชาสามารถเท่าไรสร้างโลกให้จเจริญเท่าไร พอยิ่งจะทําความเสี่อมหรือความที่ถายให้เกิเร็มากขนาดเท่านั้นเหมือนกันถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องสร้างตนเองให้สมควรเกิดธรรมะของตนทั้งเป็นเคยหักและเป็นนักบวชแล้วเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชทั้งเหล่าาเป็นผู้โดยสร้างตนเองพอสมควร เาไปอยู่ที่ไหนก็มีความสะดวกกายสามาคตทั้งคนที่มาเกี่ยวข้องก็ได้รับผลไปยู่จากท่านที่ได้อบรม็ น, นสร้างเ็นมาเลยพอสมควรเพราะการสร้างใจของเราให้มีใจที่เป็มไปด้วยผลคือเชืียต่อหลักคําของพระพุทธเจ้า บัดเรงกายวาใจใจทั้งคนให้เป็นแต่ตามนั้นรู้สึกว่าจะเป็นของยากนั้นหลักเราทั้งหลายผู้มีกิเลสเปรี้ยงจิตสังข์กับธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นทุนนั้นการสร้างคนให้เป็นคนการสร้างพระให้เป็นพระ พระพุทธเจ้าท่านก็ถือเป็นภาระอันหนักยิ่งเหมือนกันจากพระพุทธเจ้ามาถึงพระสาวกท่านที่สร้างตนให้สำเร็จแต่การหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นกระจาเป็นผู้เบิกจิตขึ้นมาแล้วและประกาศธรรมะธรรมสังสอนของพระพุทธเจ้าเกิดไปกาโทนท่านควรรู้จิตว่าเป็นภาระ คือลำบากเหมือนกันครูที่จะนำไปปรพฤติปฏิบัติตนเองเพื่อการสร้างตนเองโดยเฉพาะก็รู้สึกว่าจะมีความลำบากเช่นเดียวกันกับท่านที่สั่งสอนแบบดังนั้นการสังสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนนี้จึงูิสิกว่าเป็นของยากไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อย การสร้างบ้านสร้างเรียนสร้างมัดมาอาวารสร้างที่อยู่อาศัย ต, ตูปุติหรือสิงจะสร้างต่างๆภายในบ้านในเนมือง น, นิภายในวัดจึงไม่ถือว่าเป็นของลัมมารอะไรเลยแต่การสร้างคนให้เป็นหลักของบ้านเมืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านแก่เมือง ณสร้างพระให้มีความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาและในวัดมหาอา่าวตลอดถึ้งจะทะําประโยชน์ให้ประชาชนทั่วๆไปให้รับผลประโยชน์เท่ิที่ควรนั้นจึงริ้สึกว่าเป็นของว่ายิ่งกว่าการสร้างทางด้านวัตถุเนี่เป็นเช่นนั้นผู้ที่ ม, มุงทำเป็นพระโดยสมบูรณ มุ่งความเป็นคนเดยสมบูรก็ควรจะสนใจสร้างตนเองม่เป็นภาระเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ใช่ภาระหรือไม่ใช่วิสัยข้องตุนเห็นนักบวชเรามีหน้าที่จะปฏิบัติตนเองคือสร้างตนเองโดยจะพอาลเรื่องจิตการงานภายนอก ไม่ควรถือเป็นเรื่องจำเป็นมากยิ่งกว่าภายใ น, นเมื่อเราได้สร้างตัวของเราให้เป็นตึกแผ่นแน่นนะมีความเป็นรุ่งเรียงอย่างเต็มที่ภายใ น, นเต็มเองแล้วสิ่งที่เราต้องการนั้นไม่เป็นของยากหากค่อยเป็นใหม่โดยเราไม่ต้องพยายามจนสันเขาถ้าสิ่งอย่างนี้เกิดขึ้นมาจากเรื่องเราสร้างตัวของเรา ให้เป็นพระเป็นเนรผู้ดีขึ้นมาเลยอย่ารอแล้วการสร้างพระกร็คือการดักแปลงตนจะดูที่ไหนไปที่ใด ใน a r ยาบททั้งสี่ต้องทำการสังเกตกอบรู้ตัวอยู่เส ม, มอเรื่องสติกับใจนั้นอย่าให้ห่างไกลจากกันจะเป็นการสร้างพระเพื่อความ้มบูรณ์ขึ้นเป็นนั้นแหแต่ถ้าขาดการงานที่จะมัน ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของข้าแล้วผลที่จะถึงเด้ยรับให้ถึงความเป็นพระโดยสมบูรณ์นั้นก็ต้องด้อยลงตามลำดับหังเหตุที่มีการเหือนด้อยลงพระพุทธเจ้าสร้างพระองค์มาโดยสร้างโวยธรรมทอแท้อ่อนเอง สร้างจนศิษย์ยิ้มสของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครสามารถจะทําได้เหมือนอย่างพระองค์ท่านสําหรับพระองค์ท่านเองก็ไม่ถือว่าเป็นภาระประสิทษย์ในการสร้างพระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาถือว่าพอดีกับหน้าที่และกําลังของพระองค์ท่านตลอดไปทั้งๆ ท, งที่บางครั้งมีความส ล, บสลิบเฉลี่ยก็ป แต่ภายในพระทัยของพระองค์ท่านรู้สึกว่าถือว่าเป็นความพอดีอยู่เสมอจนได้กลับกระลุกขึ้นมาด้วยความที่ขัดพยา ย, ยามของพระองค์ท่นานในนี้มีทางที่พระพุทธเจ้าสร้างพระองค์ท่านสร้างอย่างนี้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้รับพระโอวาสจากพระองค์ท่านแล้ว นั่งไปสร้างตนเองก็มีลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าบางบางท่านทำความเพียงกล้าถึงกับฝ่าท้าแตกกลมองท่านก็ไม่หลักไม่นอนอุบายวิธีทั้งหมดนี้เป็นการสร้างองค์ของท่านจนในสาเร็จรูปขึ้นมาอย่างสมบูรณ์่เป็น สาวุกหารหันที่บจิตของพระพุทธเจา้าแต่ละท่านละท่านเนื่องมาจากการสร้างคงของท่านด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่พ้อถอยต่อหน้าที่ของตนั้งต น, งตนเราที่จะ เดินตามร่องรอยของพระพุทธเธจา้าและของสาวกทั้งหลายท่านเพื่อเป็นการสร้างตนจึงควรมองดูแนวทางที่ท่านได้ดำเนินในการสร้างตนไปนั้นอย่าได้มองดูแงอื่นอันจะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างตนเองจะไม่ถึงจุดที่หวังดังที่ท่านถึงไปแล้ว จะทุกจะละหมาดยากขนาดไหนก็ให้ถือว่าเป็นทางเดินจะต้องกล้าไปตามทางสายนี้ต้องเดินต้องไปต้องปฏิบัติไม่ต้องถือว่าเป็นคำละหมากยากเยินอันใดเพราะสิ่งเหล่านี้โลกเคยถือมากันเป็นเวลานานไม่ว่าท่านและเรา แต่เห็นความยากความลําบากนี้ว่าเป็นคุณแก่ตนอว่าเป็นไทยแก่ตนแต่เห็นความสะดวกตามชอบใจนี้ว่าเป็นคุณแก่ตนเอ ง, ท, ง, ท, งทั้งที่ความสะดวกความประพฤติตามชอบใจของตนนั้นเป็นข้าศิกและเป็นเครื่องขีดขวางทางเตินเพื่อ การสร้างตนโดยสมบูรโดยเจ้าตัวไม่รลเมื่อ เ, เป็นเช่นนั้นจะตามเด็จพระพุทธเจ้าและสาวกท่านไปได้ด้วยทางไหนขอทางของท่านที่ดนเนินจนถึงความพ้นทุกข์ไม่ใช่เป็นทางท้อแค้อ่อนเอและเทหลังเช่นอย่างทางที่พวกเราเดินกันอยู่กันหมายึงทางนี้มาจากทางมัชชิมาซึ่งจะเป็นไปต่อความ ทนทุกเหมือนอย่างพระองค์ท่านแต่เป็นทางที่จะสังสมวิริย์ที่ความเจยบแสงความท้อแท้เดิมให้มีกําลังมากมูลขึ้นเป็นน้าหมักสำหรับภายในใจของบุคคลนั้นถึงกับว่าพทอดทุระไปเสียเลยไม่มีความสงใจใช่ต่อาการดําเนินตามทางสายที่พระองค์ท่านและสาวกทั้งหลายดําเนินไปจนถึงความเืด มีการสร้างตนเพื่อถึงความอันสมบูรณ์เพื่อถึงความเป็นชาอันสมบูรณ์ต้องมองดูตามหลักธรรมของพระพุทธศาสาหลักธรรมทั้งหมดเป็นหลักธรรมที่พระองค์ท่านได้ดําเนินไปแล้วเมื่อได้รู้เห็นเป็นผลประจักษ์จากพระภัยมาจนถึงความเป็นกาศเลาแล้วจึงได้มาประกาศแสั่งสอนพวกเราการประกาศแส่งสอนพระธรรมทุกบททุกบาทที่ออกจากพระไทย อันเบิกสิดของพรองค์ท่านก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงบทบาทแห่งธรรมะนั้นให้เป็นอื่นในการสอนสัตว์นอกจากว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงเป็นมาอย่างไรปฏิบั ต, ติไปอย่างไรจนถึงความมือสุดพุทโธและนำมาสอนสัตว์ให้เป็นไปตามทางสายนั้นเท่านั้นไม่ได้ทรงยักย้าย และนำไปสอนสัตว์ให้เป็นอย่างอื่นจากทางที่พระองค์เจ้าทรงนำเน้นเลยก็เพราะเหตุว่าทางที่พระองค์ท่านจะยัย้ายออกไปให้เป็นอื่นนั้นไม่ใช่าทางเป็นไปก็ความบริสุทธิ์เพราะพระพุทธเจ้ า, าเองท่านมาได้ปรัจรู้เพราะทางสายเช่นนั้น พอที่จะให้พวกเราทั้งหลายได้ลักย้ายลิบ เ, เปี่ยนแปลงทางเดินตามหลักธรรมของพุทธเจ้ากลับมาเดินตามทางที่เหลือัณหาอาศะซึ่งสักหมกหมมอยู่ภายในจิตใจของเรอันเป็นทางสายอื่นจากหลักธรรมของพุทธเจ้า นี่หลักการสร้าง เ, เองต้องดูแบบฉบับของพระพุทธเจ้าแบบฉบับของพระพุทธเจ้าถึงความพร้อมมูลได้ทั้งเหตุคือเครื่องดำเนเออินทั้งผลคือทำที่พระองค์ทำส่็นเลยครับเป็นเหตุและเป็นผลอันถูกต้อง เมื่อนำมาสั่งสอนรสัตว์ก็เรีย้ยงมาเป็นสวัครคาตธรรมกลับไว้ชอ บ, บ, บทุกประการเมื่อบรรณาสัตว์ประเทิดปฏิบัติตามพระอว่าธคําสอนของพระองค์ท่านก็ปรากฏผลเป็นนิยานิสธรรมนําผู้ปฏิบัตินั้นให้พ้นจากทุกไปบ้างเป็นบรรบัดจนถึงพ้นจากทุกโดยสิ้นเชิงจากนิยานิสตธรรม ที่ผู้นั้นนำไปปฏิบัติโดยไม่ต้องเสี่ยงเสี่ยงนีเป็นผ้าสายทางที่พระองค์ท่านทรงรับรองมาด้วยนอกจากนี้แล้วไม่มีทางสายใดจะทำผู้ปฏิบัติซึ่งดำเนินผิดทางให้เป็นไปเพื่อความเบริอหน นอกจากจะเป็นไปเพราะความลำบากเกิดตนเปราล่ า, ลาหรือว่าจะเป็นเหตุให้สังสมจีเดขึ้นมาอย่างมากนึงท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะได้รับผลจากทางสายที่ตัวมันเนินผิดต่นั้นเอง การปฏิบัติธรรมะเราอย่ามองในแง่ความลำบากแต่จงมองในแง่ผลอันดีที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติแม้จะลำบากหรือสะดวกสบายก็ตามนี่เป็นหลักสำคัญพาเราจะมองในแง่ลำบากแล้วจะทำให้เรามีความคลอแท้อ่อนแอต่อความเพียรที่เราจะถึงนํำเนินและผลที่จะควรเลยรับ พลาดไปเสียหมดไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเรามองในผลอันดีที่เราพึงประสงค์แล้วเหตุคือการดำเนินจะยากหรือลำบากก็เป็นเช่นเดียวกับทางเดินที่เราจะไปสู่จิดนั้นๆนจะยากยากหรือง่ายเราต้องเดินไปตามทางสายนี้จะมีน้ำมีเือมีชายอะไรก็ตาม เราต้องเดินแต่พะความทางสายนั้นจะชื่อว่าผู้เดินแต่ถูกจุดที่หมายทุกๆุกจุดที่ตนต้องการมีทางสายเอืกคือมัตติมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นี้เป็นทางที่รับรองกันมาเป็นเวลานาน ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆและสาวกของพระพุทธเจ้าพราะองค์ใดเผื่อตรัสรูปนับจำนวนไม่ได้ล้วนแล้วตั้งแต่ตรัสรู้ด้วยมัคคิมาปฏิปปฐานเท่านั้นไม่มีทางสายใดที่จะสามารถดังบุคคลผู้มีชีวิตให้สิงสุดลิมูชนิพาน ไ, ได้ด้วยการปฏิบัติให้ผิดทาง นอกจากมัชิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางสายเอกสาเดียวนี้เท่านั้นจะไม่ยังผลอันดีเยี่ยมให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติทผิดนั้นไปได้เลยขอให้เราทุกท่านได้ทำความเข้าใจไว้จากหรักการดำเนินคือมัชิมามัชิมาแปลว่าสูญแยงไม่ได้ ผิดเพี้ยนไปที่ไหนจากเคร่งก็าตามจะยอนยานบ้างก็าตามแต่ให้หยอนยานหรือเคร่งอยู่ในหลักของมัตตินาที่พระ อ, องค์ท่านประทานไว้อย่าให้เลยขอบเสกทั้งฝ่ายเคร่งแล้วฝ่ายยอนยานเพราะหลักธรรมนั้นมีหลายท่านใน กรอบแห่งหลักธรรมะที่เรียกว่ามัชชิมานั่นเองยังแยกเป็นประเภทประเภศปรอเภทที่อุกฤษที่สูงเยี่ยมก็มีปรอเภทที่ปันกลางก็มีกรอบเภศ ท, ที่หยนยานก็มีแต่ว่าอยู่ในกรอบแหงหลักมัชชิมานั้นไม่นอกเหนือไปจากนั้นเลกทูดำเนินตามหลักมัชชิมาทั้งสามประเภทที่แยกออก เป็นประเภทประเภทนี้คือว่าไม่ผิดจากหลักของมัตถิมาแต่ผลที่จะถึงนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อมโยอย า, านในวงของมัตถิมานั้นเหมือนกันผ่าผู้มีความเชื่งครับปฏิบัติตนโดยเข้มแข็งตามหลักมัตถิมาผู้นั้นก็ถึงได้อย่างรวดเต็วผ่าผู้ปฏิบัติยอนลงกว่านั้น พอถึงได้ชาถ้าผู้ที่ย้อนยานลงไปกว่านั้นแต่ไม่ผิดจากหลักมัติมาซึ่งเป็นธรรมขั้นต่ำก็มีทางจะรู้จะเห็นได้เหมือนกันแต่กินเวลาหนักหลักมัติมาแม้จะทรงว่าเป็นทางสายทรงไว้ว่าเป็นทางสายสั่งกระทางแต่ยังมีประเภทที่แยกออกอย่างสูงอย่างกลางอย่างต่ำเหมือนกัน ถ้าผู้ปฏิบัติผิดจากตามผิดจากมัติมาที่กล่าวไว้นี้จะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นใครจะว่าใครปฏิบัติ ด, ดีขนาดไหนก็ต่งออกเป็นสัก ว, ว่าความรู้ความเห็นพิฐิตรานะของตนเท่านั้นหาได้เป็นไต่ตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้า วิธีสร้างตนต้องสร้างด้วยหลักมัชชิมาเป็นทางเดินหรือเป็นเครื่องมือสาหรับสร้างตนอย่านําเครื่องมือชนิดอื่นมาใช้ในงานที่ไม่ควรใช้เครื่องมือชนิดอื่นถูกบ้านเขามีอะไรบ้างสำหรับเครื่องมือจะท้ายทําบ้านของเขาเพราะต้องมีเครื่องมือโดยเฉพาะ เขาจะทําอะไรก็ตามเขาต้องมีเครื่องมือโดยะฉพาะเราจะข้างตนด้วยธรรมะคําั้งสอนของพระพุทพธเจา้าเพื่อทาอิสติสเราจะหาเครื่องมือประเภทแบบในหลักธรรมของพระพุทธเจา้าจึงจะเหมาะสมกับความมุ่งหวังของเราที่ตั้งไว้อย่างแรงกล้าเราต้องนําเครื่องมือคือธรรมะส่วนที่เด็ดนั้นมานํามาใชา้ จะสมกับเจตนาของเราที่มุ่งเอาไวถ้าสร้างตัวไม่ดีเราจะไปสร้างอะไรก็ไม่ดีเท่าไหร่จะไปแนะนําสั่งสอนคนก็ไม่ได้รับประโยชน์เพราะเราสั่งสอนตัวของเรายังไม่ได้ เราเนี่ยนำตัวของเราอบรมตัวของเราด้วยดีแล้วเรื่องการอบรมคนอื่นเราก็ต้องนําหลักธรรมที่เราเปาิดพฤติปฏิบัติมาไม่รู้เห็นใหม่ให้สั่งสอนเขาพอพอมีทางที่จะให้โลกได้รับผลประโยชน์จากความจริงที่เราได้ปฏิบัติและรู้เห็นมาได้เพราะนั้นการสร้างตนจริงเป็นเรื่องสําคัญยิ่งกว่าสีแดง ทำมาตนเมื่อรวมทั้งหมดสมถถัยทิฏฐภาพร่างสามีด้วยการประพฤติ ท, ทางกายพ็ดีการประพฤติ ท, ทางวาจาพอดีการคิดในทางใจพ็ดีให้เติมไปโดยเรียบร้อยตามหลักธรรมของพระพุทธเจา้านี่ก็คือการสร้างตนถ้าผิดเพี้ยนไปจากนั้นแล้วก็ไม่จัดว่าเป็นการสร้างตนโดยถูกต้อง ธรรมดาของจิตที่มียาพิษฝังอยู่ภายในตนแล้วจะไม่นำบุคคลให้ไปตามจิตที่หมายแห่งธรรมะของพระพุทธเจา้าแต่จะถือว่าธรรมะของพระพุทธเจา้านั้นเป็นศัตรูต่อตอนเองในเรื่องของกิเลสกับธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไป ที่เป็นข้าสิทต่อกันเสมอเรื่องของธรรมะแล้วจะเป็นสิ่งขับไล่หรือแก้ไขสิ่งที่เป็นค่าสิทต่อธรรมะนั้นให้หมดไปเป็นน้ำหนักแต่เรื่องของกิเลสซึ่งเป็นค่าสิทกับธรรมะก็อาจจะพยายามกดขี่บังคับธรรมะนั้นให้ต่ำํำลงไปเพื่อตอนจะได้มีอำนาจท่องหัวใจของมนรรมุษย์ประสาโดยสมบูรณ์ นี่หัวใจทำมาจนั้นเราก็เป็นคนผู้มีใจคนและก็มีทั้งธรรมะและมีทั้งกิเลสแทรกอยู่ภายในใจด้วยกันเราจะนําวิธีหรืออุบายอันใดมาใชา้เพื่อจะแก้รรี่เลสหรือเพื่อจะให้กิเลสถูกมัดธรรมะภายในใจทั้งหลาย ให้เพยตัวไม่ขึ้นนี่ขึ้นอยู่กับเราแต่เราที่เป็นนักบวชและนักปฏิบัติด้วยกันคี้ายๆก็ต้องทราบด้วยดีว่าไม่ใช่จะเป็นผู้มาสั่งสมทิเลสเพื่อจะหาครั้งธรรมะให้ขึ้นถิ่นไปจากกายว่าใจทั้งตัวนอกจากจะพยายามดัดแปลงหรือแก้ไขทิเลศ ให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจงเป็นคู่มองดูธรรมะคือเครื่องมือที่จะนำมาแฝไขาที่เด็ให้หมดไปจากใจโดยอุบายหรือวิธีต่างๆยาได้มีความนอนใจการเป็นการตายอยู่ที่ไหนมันก็ตายไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ีวัยแก่ไรฉลาดเพราะชีวิตมีอันเดียวเหมือนกันหมดทั้งเด็กผู้ใหญ่ทั้งคนแก่คนหนุ่มมีลมหายใจอันเดียวกันหายใจเข้าหายใจออกมีเพียงเท่านี้เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายของเราให้เป็นคนมีชีวิตอยู่กับโลกครับถ้าลมหายใจมีหายไม่แล้ว ใครๆก็เป็นคนตายเหมือนกั น, มนไม่แตกอะไรจึงไม่ควรประมาทตัวเองคือนอนไปในความเพียรอุบายวิธีใดจะแก้ไขดับแรงตนให้เป็นไปเพื่อความสงบเยือเย็นแขสงตใจแรงจงยิ่งพยายามพ้นขายหาอุบายนั้นๆ นำมาแก้ไขตัวเองให้รับประโยชน์รือเป็นคติเพื่องสอนใจเป็นไปวันเล็กและน้อยนี่จะสมชื่อว่าเป็นผู้มาแก้ไขปร่โยดนปัญหาอาสวะสิงการพิจารณาตามหลักของพระโทธิจัาก็ไม่มีอะไรมากมาแต่จักตกายกับใจ เพียงอย่างจิตลงสู่กายเท่านั้นก็เป็นการพิจารณาธรรมดูให้รู้สภาพความเป็นอยู่ของร่างกายและความแปรสภาพของเขาซึ่งมีความแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาทุกๆส่วนของร่างกายและพร้มที่จะแตกสลายไปอยู่พิษถณะและทุกๆอาการเช่นเดียวกัน ไม่มีใครจะมีความเป็นใหญ่ในร่างกายซึ่งจะบงังคับเขาได้ไม่มีความแปรเหลายจากกันกายที่ตั้งอยู่เป็นสตรนบุคคล น, นี้โทย์ได้ทราบว่าคือสังขารได้จกส่วนผสมคือดินน้ำลมไฟมาผสมกันเข้าเป็นก้อนหรือเป็นขิ้นหนึ่ง และมีการครองตัวรักษาสิ่งอย่านี้เพื่อเชื่อมโยงถึงกันสี่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งโดยมีลมหายใจเป็นผู้ทําหน้าที่การสื่อต่อชีวิตจิตใจไปก็เป็นสัตเป็นบุคคลไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นถ้าสิ่งเหล่านี้ขาดความสามัคคีคือไม่พรองดองซึ่งกันและกันลงเท่านั้น ร่างกายของเรากจะต้องมีการเจ็บป่วยได้ป่วยไม่สมาที่นั่นที่นี่ความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาภายในตายในใจของเราทันทีเมื่อจริงเรานี้ได้เพียงแล้วลานแห่งกรรมกันกเท่านี้เราก็เห็นความทุกข์ปรากฏขึ้นแล้วที่ไหนยิ่งเขาใดแเจอจากกันไปเขียนคือธาตุทั้งสี่นี้ได้ แต่าสามักี่้าหลายจากความเป็นกลุ่มเป็นข้อนนี้ขอไฟเป็นดินเป็นน้ำเป็นนมเป็นไฟตามสภาพเดิมของเขาแล้วก็หมดพามาเป็นสัตว์เป็นหมุ่คนจิตที่มีเชื้อฝังอยู่ภายในใจก็จะต้องไปก่อปฏิเสนที่ขึ้นใหม่ ตามแต่บุญและบาปที่ตนสร้างเหตุเอาไว้มากน้อยเท่านั่นแรจะเป็นเชื่องกดขี่บังคับจิตใจและจะเป็นเชื่องส่งเสนินจิตใจให้ไปในทางดีได้ทั่วปลากคอกำเนิดเกิดขึ้นมาอีกก็เป็นสังฐานประเภทเดียวกันแล้วมีความแปรสภาพและแตกสลายอีกตามลำดับลำดับแห่งพบแห่งภาพขึ้น เช่นเดียวกับเคยที่เคยเป็นมาแล้วต่อจากนั้นก็เป็นไปอีกเช่นนั้ น, นเราลองมาคํานึงมาคํานวณประมวลอัตภาพร่างกายที่ตั้งขึ้นมาเป็นทั้งฐานและแตกไปสร้างขึ้นมาเป็นกองทั้งฐานเป็นกลับเป็นบุคคลและแตกไปดูว่ามีสาระอย่างสานอะไรบ้างที่ควรจะนอนใจหรือควรจะมีความกระยิบ ให้รักชอบสร้างหวนในสิ่งเหล่านี้จนลืมตนมาเด็จประกอบความภาคความเพียรด้วยความเพ่งใจหาสัยจากความเจ็บค้านมักง่าย อ, อนแอสังอยู่ภายในใจเพื่อจะตั้งพบตั้งพาดให้รับความทุกข์ความหมาอดชีิประหลาดตั้งกัดตั้งกั น, ก น, กนมีมีอย่างคือไหนที่นักปฏิบัติจะมาทำความเพ็งใจกับ สังขารซึ่งเป็นกองธาตุสี่เพียงคท่า น, นี้ไม่มีประโยชน์อนไนเลยนอกจากไทยจะพยายามดับแรงจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งต่อการพิจารณาสภาพของขันทั้งหลายที่กองรูปกองเวทนาสัญญาสังขาริญญาณนี้ให้แจ้งชัดเพืยอตัญญานื้อถอนความยึดมั่นถอมั่น จากสิ่งเหล่ า, น, านี้ไปได้เป็นลำดับลำดับจนถึงกับการถอดถอนี่เดดอาสวะนาในใจของตนออกได้โดยทิ้งเฉงและผ่านพ้นไปได้จากกองทาสกองคุกกองแต่กองสลายนี้ไปได้เสียไม่มีทางอื่นที่จะให้เป็นสาระแก่เราอันเป็นที่จริงแถ่ใเลย การเกิดการตายของดาวกับของสัตว์ไม่มีอะไรแตกต่างกันเราจะถือว่าเป็นของนี่เกิดเลือดโลกที่ไหนมันไม่มีจากความเกิดทาตายอ น, นี้นอกจากจะมีแต่ความทุกข์ความลำบากในภพภาติหนึ่ ง, งแต่เท่านั้นจะควรให้เป็นที่ยินดีและตื่มอกกุนใจแล้ว เสแวงเพื่อพบเพื่อชาติอีกที่ไหนมีเรื่องเกิดกับตายเท่านี้ในโลกเกิดตายนี่ไม่มีอย่างอื่นเราจะนับได้หรือไม่ได้ไม่เป็นปัญหาดูอัตาภาพของเราที่กำลังนั่งอยู่น่าเ ด, ยเดียวนี้เดียนี้เองนี่เขาเรียกกองสังฐานอยู่แล้ว มันตั้งขึ้นมันก็จะต้องสลายแปลกราพ a บลงไปคือแตกบัเหมือนกันอัตภาพน้ามันก็จะเป็นสังฐานประเภทเดียวกันมันก็ต้องเดินไปตามทางทางสายเดียวกันอยูจะมีร้อยอัตภาพพันอัตภาพมันก็จะเดินทางสายเดียวกันจะแยกทางเดินกันไม่ได้สำหรับสังฐานที่ให้นามมาส่วนผสมมาไม่มีอัน สังขารประเทศใดจะเดินตีแยกจากทางของสังขารทั้งหลายต่จะต้องเดินตามทางสายเดียวกันการเทรนาทบังที่กล่าวมานี้เป็นอุบายของปัญญาที่จะรื้อถอนความยึดมั่นสาคัญผิดอันเป็นทิดแก่จิตใจทั้ ง, งหลายออกล่าเป็นทั้นทัน เงือผู้มีสติปัญญาพิจารณามากและะเอียดถี่ท้วนโดยตลอดทัวถึงจะสามารถถอดถอนออกได้ทั้งอุปทานคือความยึดมั่นในส่วนร่างกายซึ่งเป็นทั้งขานประเภทหนึ่งทั้งส่วนเวทนาสัญญาทั้งขานตัญญาความคิดความปรุงของใจซึ่งเรียกจากสังขันประเภทหนึ่ง แล้วถอนหน้าทั้งอุปาาทานของกายที่เต็มไปด้วยกับด้วยอวิชชาอันเป็นบ่อกเกิดแห่งช้งาขานทุกคุกระเถิดที่สังาขานร่างกายและช้งาขานความปรุงความภ า, า, า, ายในใจพระไม่มีกิ่นใดเหลือภายในจิตใจนั่นแหละคือว่าเป็นผู้ตับเรื่องพบเรื่องขาดเรื่องช้งาขานเรื่องเกิดเรื่องตาย เรือ่องความทุกข์ความยากความลำบากอันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามโลกนี้จะไม่มีในใ จ, จิตใจดวงพ้นจากโลกนั่นเลยนี่พระพุทธเจ้า่รนมาเป็นของกระเสดเลิ่โลกเพราะความบริสทธิ์ของใจที่ผ่านพ้นเครื่อกงกดขี่บังคับคือสมมติอันนี้ไปได้กลายเป็นยิมุติขึ้นมา ในใท่านผูดถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์เช่นนี้เนี่ยเป็นผู้หมดภัยภายในใจเนื้อจะมีส่วนแห่งความทุกข์ปรากฏอยู่บ้างในร่างกายพอไม่สามารถจะดึงชาตเข้าไปถึงจิตใจให้รับความทุกข์เช่นที่เคยเป็นมาครองธาตุขันก็คลองไปตาม บันตามการของเขาแอจะเรี่ยงดูรักษาเข่าไปก็เพียงพอถึงการของเขาที่จะแตกสลายไปเท่านั้นเรื่องปัญญาของธาตของท่านรอบด้านไปหมดไม่มีอันใดจะก่อแทบปัญญาของท่านได้ท่านจึงไม่ได้ยึดมั่นพึ่มั่นในสื่งทั้งหลายทั้งที่เป็นอัตภาพของท่านก็ตาใด เห็นตามจริงทั้งเขารวมกันอยู่ที่ให้ชื่อให้านามว่าเขาว่าอะไรทั้งที่เขาแปลสลายน์ไปอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เขาแตกบักรงไปไม่มีท้่ใดจะทำความยุ่งเหยิงแก่บรรดาท่านผู้บริจิตต่อเนื่แม้แต่นิดนึงภายในไปเราเป็นนับปฏิมา ถ้าไม่เห็นใจเป็นของสําคัญเราจะเห็นอะไรเป็นของสําคัญถ้าปี่ดินน้ําลมไฟไม่มีสิ่งใดจะเป็นของสําคัญเพื่อความหุดค้นจากมาันไ ม, ม่เกิดอะไรนอกจากจิตวิญญาขอให้รู้ตามาพระธาตุความมุจิของเขาแล้วถอดถอนเที่ยนน้ําออกมาไม่ให้มันทิน้นแทงช่งวยใจอยู่เป็นเวลานานเท่านั้น มันเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ของนักปฏิบัติใครถ้าขยันเกิดเขือนตายก็คือว่าคนนั้นขยันรับภาระสุขของทุกข์ถ้าไม่ขยันเกิดตายก็คือว่ามีความ ข, ายาขยะแขยงต่อทุกข์พอเรื่องการเกิดการตายเป็นเรื่องของทุกข์เท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นอ่ะจะควรยินดีเมื่อไหร่จะควรติ หรือความผมเงื่อนไหนไม่มีที่พอจะถือเอาเป็นสาระมาจากการติดการผมเงืนนั้นนอกจากจะอย่างปัญญาให้ทราบตามความเป็นจริงของเรื่องความเกิดทั้งของท่านทั้งหลาและเรื่องความตายทั้งทั้งของท่านทั้งหลาให้เห็นชัดเท่านไม่มีทางอื่นที่จะเป็นทางขอบถอนตนเองให้พ้นจากก่อนความของตน ในอัตภาพ น, นั้นนักปฏิบัติต้องดูเรื่องของตัวที่มีอยู่ให้เห็นชัดด้วยปัญญาโดยมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนยาเกียดข้ามเพราะความเกี่ยวข้ามทราบปันญาว่าตั้งอยู่ที่ไหนเป็นความ อ่อนแอหรือเป็นความไม่เจริญในที่นั้นตั้งอยู่ในบ้านใดเมืองเมืองใดบ้านนั้นเมืองนั้นจะไม่เจริญตั้งอยู่ในวัดใดวัดนั้นจะไม่เจริญตั้งอยู่ในคนใดคนนั้นจะเป็นคนเกียดข้าไม่เจริญรุ่งเรงในข้อวัดปฏิบัติศีลสมาธิสัญญาศรัทธาบิมุตบิดคนไม่ปรากฏในคนที่เกียดข้านั่นเลยเพราะฉะนั้นความเกียดข้า สำหรับผู้ปฏิบัติจึงได้ตำหนิเสมอ